อันนี้กงเหมือนกันน่ะพวกเราถึงมาจุดนี้เนี่ยยเนี่พวกเราก็ต้องตรวจตราดูความตัวตัวเองที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วเราจะโดดทยานไปปีต่อไปเนี่ยเราจะกระโดดอย่างไรเนี่ยงบดุลอย่างไรสิ่งเหล่านี้พวกเราก็ต้องได้คิดการงบดุลว่าความการดําเนินชีวิตของเราปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไร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 มันรคในตัวของเราทั้งหมดเราจะอยู่นานไปสักเท่าไหร่ในใจของเราถามอยู่เสมอเพราะอะไรเพราะว่ามันมันแก่มันผิดปกติของร่างกายอายุสาสิกว่าเนะ่เออแปวัดเที่ยงถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็เที่ยงตรงอายุสามสิบห้าเนี่ยในช่วงนั้นนะแต่พอสี่สิบขึ้นมาเนี่ยคยๆมันกเ็เที่ยงเที่ยงเที่ยงมาบ่ายๆค่อยๆนะ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 แต่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนนั้นท่านจะไม่แนะนำทางสั่งสอนไปทางเดียวเหมือนกับกรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเราอยู่ที่ไหนอ่ะผมอยู่ทางเชียงใหม่ครับเออเชียงใหม่เอาเข้ามาทางเนี้ยนะไยสายเอเชียถ้าอยู่ทางภาคใต้ผมอยู่ทางภาคใต้ครับเออเอาเข้ามาใายเพชรบุรีสายนั้นเข้ามานะถ้าผมอยู่อยู่ที่ไหนผมอยู่ทางจันทบุรีเออเอาเข้ามาทางระยองเข้ามาทางนั้นนะ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 ท่านจึงให้สอนให้ทานรักษาศีลภาวนาตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราให้ทานเราก็เสียของอ่ะแต่ทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้สอนให้ทานเราก็มาพิจวิเคราะห์ดูชื่อว่าถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีน้ําใจต่อกันมีแต่เห็นแก่ตัวมีแต่ขี้แตนีทีเหนียวพ่อแม่ก็ไม่ยอมเสียสละให้แก่ใครลูกเราลูกเต้าเล่าล้านจะใหญ่ขึ้นมาได้อย่างไรอหมูหมากาไก่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 เรื่องการอยู่ด้วยกันกับอยู่ด้วยกันของครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่กับลูกเอโดยมากหลักของพุทธศาสนาท่าหลักพระพุทธศาสนาไม่สอนเอเรื่องพระคุณของพ่อของแม่แล้วหายากนะอผู้ที่จะสอนพระคุณของบิดามารดาโดยมากจะมองข้ามมองข้ามพระคุณเอเป็นหน้าที่ฮะ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 แต่ก่อนเราคงยากจนขนาดนี้คงไม่ได้ทําบุญทําทานมาก่อนบ้างท่านก็เลยได้ข้าวมาได้ข้ามาม้อหนึ่งเห็นภาษาลีบุตรเดินมาเห็นมา ก, กันเอ่อเด็กจะตักบาดตักบาดภาษาลีบุตรพระิานลีบุตรเห็นว่าพรมณ์เ อ, อเขาจะใส่บาดท่านก็เปิดบาดให้พอเปิดเขาก็ใส่บาดเข้าไปทัพพีหนึ่งข้าวทัพพีหนึ่ง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 ที่จะทําได้อายุตั้งแปดสิบแล้วใช่ไหมแต่นี้ก็พามตอนนั้นก็เนี่ยเคิดเรานะอยู่ในนี้ทําไม้เมื่อสมัยเราเป็นหนุ่มเราจึงไม่คิดอยากจะบวชแต่บัดนี้เราจะบวชขึ้นมาสมบัติของเราก็ไม่มีสักอย่าง เ, เราก็อยากจะบวชเหลือเกินนี่ยพามตอั้นก็คิดแล้วคิดอีกจนตัวเหลืองเหมือนกันนะเถอะกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับคิดอยากจะบวช อ, อต่นี้พระ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 มีไหมพระที่อยู่ในนี้มีองค์ไหนบ้างที่เป็นที่ทักที่ที่พรามได้ทำพระคุณกับกับพวกท่านทั้งหลายผลที่สุดก็ภะษาลิบุตรนั่งกระจกประนมมือขึ้นมาว่าข้าพระองค์ลํำลึกได้พระเจ้าข่าที่พรามคนนี้ได้ทำคุณให้เกียร์่าพระองค์เอ้เขาทำอะไ ร, ระสาลิบุตรภาษาลิบุตรว่าข่าพระองค์ไปบินธบาตในกรุงราชคื ไม่มีใครใส่บาทวันนั้นเนี่ยพราหมณ์ใส่บาทฆ่าพระองค์หึงทัพผีฆ่าพระองค์ก็ได้ฉันข้าวของพราหมณ์นั่นแหละพระเจ้าข่าในวันนั้นเพราะฉะนั้นฆ่าพระองค์ถือว่าพราหมณ์เป็นผู้มีพระคุณพระองค์บอกเออเอาทาอย่างนั้นสารีบุตรเป็นภาระนะให้ท่านเป็นผู้บวชนะบวชให้พราหมณ์เลยนะได้ไหมได้พระเจ้าข่า น, ะนั่นแหละพระสารีบุตรก็เลยบวชเนี่ย